ท่านใช้ดยชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบ ก, กมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาจจะมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ ว, ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานประหรา แต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเปงนันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพระในมีราชแล้ว ก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระนีมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระนิมีราชเป็นคนบ้าแล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาสิตธ ซึ่งพระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครใครก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาบสการะต่างๆ มีความจริงพาสิข้อนี้เป็นพอสิคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความไม่ตาปราณีปราถนาในการสงเคราะห์มิสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทงั้งหลายโปรดทราบ คนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียกว่าคนปทุสรายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่ได้อยู่แผ่นดินเดียวกัน แต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดพ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เขามาที่หลังและคนที่เ้าจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดปะทสุสลายกันคาว่าปัทุุสลายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินที่พักพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นกลุ่ม เมือแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราข้าวฟันกันก็ไม่มีและเรื่องการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม่ร้ายราฐนาทําลายชีวิต โกเค้นบังคับหน่ยอยวุฒิโทรร่ก่อนบ้างให้กลับคลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งๆ ท, ท, ที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีสินธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนปทุษร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรบางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่ไปอิสระภาพอยู่ในเวลานี้ คำว่าเป็นอิสรภาพสําหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนภทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทํางานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้ จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาปัไญายที่กําลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทําคนไทยทั้งชาติแชกลายเป็นทาสสาหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรืองเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากําลังเห็นเวลานี้ คนในประเทศเลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่งสามชุดแล้แต่ไรชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสุดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขา นอาหารที่เร่รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มเขาให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขต อย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าฟังว่าในประเทศใหญ่นั่นเขามีลัทธิการกินอยู่สามแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางยี่แบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็ก คำว่ากระทะใหญ่อาหารสําหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละห้าร้อยกรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึงคนสําหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสําหรับกระทะกลาง ว่าเป็นหัวหน้าพวกขมโมเหลา่าคนประเภทนี้มีกิมีกับข้าวกินสามอย่างสำหรับกระทาเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปไทย เคยเอาเงินสี่หมื่นบาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเขาต้องอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยพนนี้สุดเขาเอาไปมัดแช่น้าไว้บ้านใกล้เดลนเคียงเขาบอกว่าเขาไปเป็นแฉแล้วเขาได้เขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าเป็นคนโดยไปถ่ายอัแม่มาจากประเทศนั้น เมมีโอกาสได้คุยกันเขาก็เคยเล่าคุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของรัทธิที่เขายัมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแ่ะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับรัทธินั้นมาประมาณสิบปีเศษใ น, น, นะนประเทศหนึ่งนะประเทศแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าโตจีนทํำยังไง เิ่งบอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจียบโป้กับผักเข็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมูสิบสองตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละหนึ่งบาทลูกสะใภ้เป็นนางพยาบาล ได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละหกสลึงถ้าทํางานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณสามร้อยหกสิบห้าบาทสําหรับตกตายจะซื้อรองเท้ามไม่ได้หนึ่งคู่หน้าหายไข้กินวันละครึ่งกิโลสําหรับข้อวสารประเทนั้นเขายังดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ําข้าว สงสารลูกสาวลูกชายกับลูกสะใภ้เอาเนื <te> ้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี่ประเทศใหญ่อย่างดีสำหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรนี่ร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นจะเป็นไม่ได้ความแรงแค้นมาก แล้ที่ใกล้คนที่เขาข้ามาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โนนถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายค่อยไปก็ไปได้แต่ไปต้องขับตามเวลาทรัพสมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกำหนดให้กินรัฐจะกำหนดให้ทํางาน ป่วยไข้ไม่ส บ, บายแต่คําแม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะว่านั่งทำแบบส บ, บายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งรละที่แบบนี้คนที่เข้ามาโคดให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทำ้ายมิตรก็คิดใ้คนไทยทั้งชาติเป็นภาสของคนหมู่เดียว อ่นนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของพระเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจําไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรจะไปสังนันสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตจคือว่าคุยคิดประทุษร้ายประคนไทยด้วยกันที่ไปอิสระภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนจะอดอยากอยู่ในปา่า ความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านเนี่ยเองนี่เราต้องมารบราข้าวฟันเช่นกันเลยกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่คิดจะทุจริตเป็นทาสของต่างชาติต้องการแยกชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุด เมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท้ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ทวนในที่สุดก็ต้องโดยน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งๆ ท, ที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาที่ประสบสร้พวกกันเอง นี่เป็นอนุว่าการคิดประทุทลายมิเป็นของไม่ดีต่อเทนี้ไปฟังถ้อยคำาองพราเตมีต่อไปพระเถนกล่าวเป็นพาสิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิแม้จะไปในสถานที่ใดก็อย่อมไม่อดอยากก็มีคนรักหนึ่งนะ เราเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเราไม่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาสวัสดิ์อย่างนั้นเมื่อมีการครบหาสมาคมแล้ว อันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงให้มันมีนแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาบสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้เมื่อนันกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสยัยจึงได้หยุดจากการขดหลุม แล้วก็พินิษฐ์พิจารณาใกล้ไกลแล้วเขาเกิดจําได้ว่าพระกุมารที่เขานํามาจะฟังนั่นเองไอ้แอบมาเยี่ยนนี่ได้ยังไงก็ท่านเป็น ง, ง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ ง, ง่อยขอโขก็โหนนี่ย่องมาเยี่ยนนี่ได้ยังไงไม่เวลาที่จําได้เขานึกเข้ามาได้ว่าเอ้นี่เจ้านายเขาไม่น้อยใช่แล้วนี่เขาก็เลยกล้มลงกราบ กราบลงปฏิทางพระเตมีซึ่งกล่าวว่าโอโหโอหนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บรรดาให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยก็เพื่อเกี่ยวข้าพระเตมีจึงถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะ เขาก็ตอบว่าก็เพราะพ ร, ะ, พ ร, ะ, พระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งสิบกว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปที่นินหาได้เป็นเช่นนั้นไหมนับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุด ท, ทีเดียวก็ื่อเดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดก็เยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไป พระเตมีจะได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่ามีแล้วท่านยังจะคิดฝังอีกับหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังนะประยัติค่ะถ้าพระพุทธเจ้าข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทําร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าบพระองค์อยากจะนําพระองค์เข้าไปพ่อพระราชาคือพระราชมิดาและพระราชนรรดา เพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เยพระเจมีเริ่มหมดเคราะห์พระเจมียังได้ทรงตรัสว่าเออในสารถีเจ้ท่านนั้นทะเราไม่คิดจะ ก, กลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั่นเป็นเหตุแห่งการกระทําความชั่ว ซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดนในรกอย่างไม่รู้จักจะปดเจ็ดเกิดขึ้นมาเม่อไรนายสรถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรามีแปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนบ้าเป็นคนโ ห, หนวกเป็นคนง่อย ถ้า ต, ต่อมาเวลานี้กับเป็นนักบวชอยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอํานาจจะกลายเป็นสัตว์นรกให้มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจไม่เกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องงี่เง่าแล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ว่าหนูคิดจะฝังด้วยความโกรธแค้น เรามาตามคําสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดลกูกเป็นขบว่านนามหมายข้าราชบริการทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาลเล็ก น, นิดแต่เขย่งเก็บไว้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารมาดาจะมีอันตรายตุมันดาวประชาชนทั้งประเทศจะทำไมชาตชีพไหาย นี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่โทดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะมันไลหลได้ออยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแต่แข็งแสคนก็มีความสุขสอแนะนำให้คนก็แตกร้าากันยุยงส่งเสริมปลุกระดมมวลชนถ้าเต็มมีกับคนประเภทนี้นะใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาและกินมีกันแน่ จะเห็นคนนิ่งๆอย่างว่าเตมีเป็นกาลิกินีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกเล่าในประเทศชาติเป็นกาลิกินีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟงแล้วก็คิดเอาเองคุยเพิ่มในสรัทธีต่อไปก็วความดีใจของเขาก็กาานิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไหร ใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์เองก็จะได้งเงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติภาพพรแต่พันต่างแจพ ร, ราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาขององค์จะทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวาร และอะไรก็ตามที่ปรารถนาก็ใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง้อยเปียเสียขาไม่เป็นคนโงหนงกเป็นใบไม่ตั้งสิบกว่าปีแต่เขาทําทุกอย่างก็ไม่สําเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทําให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้ จะกลายเป็นความดีใจที่เนื้อความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในกางก่อนข้าพระองค์กำลังจะได้รับความสุขไม่ต้องลาบากลำบนต่อไปที่นี่นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนะ่ยไม่ใช่ดีใจเพราะพระองค์ดียวดีว่าเขาจะมีลาบดีว่าเขาจะมียศนี่คนมีอดแบบนี้ไม่ได้ อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งจิงเงินภาษีก่อนขบรรดาละสระดอนทั้งหลายจงรักษากําลังใจอย่าเถาเยอที่ยานอยาท่านอาานงตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอํานาจเวลานี้กําลังที่นัดใช้และมีกําลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีตั้งนี้ก็เพราะว่าการเลืมก่อนเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันในสารถี เห็นว่าเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่ย่าดีใจว่าท่านไม่เป็นใบกลับหวังกำไรคือยะได้ลาภสิ้นยศเราคุยกันต่อไปถ้าเตมีจินิกราวว่าท่านจะเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้า เป็นคนกายและกันนีที่ชาบ้านตัวหาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความทิดหายบรรลัยให้เกิดกับประชาชนและคนละเมืองทั้งพระราชวินดาและพระราชมันดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาสีดิถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดี ท่านท้าว่าท่านนั้นลท่านนําเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่มีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลิกนีไปก็ไดเพราะว่าใครใครเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของขอ ง, ของคนอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนวันแฟวนไม่มีสําหรับเรา เราจะบำเพ็ญพรน์้าสินในป่า น, นี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ต้องฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่เคืองไข้คอคกันเป็นอย่างเส่ได้เวลาในสารทีในกราบทนว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสน่าจะตรัส ก, กับพระราชวิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ย ถ้าพระองค์ส่งไปกลาบลาพระจุลิดาให้ทรงทราบด้วยก่ อ, อนจะเป็นการดพระเตมีจ็ไม่ทรงทร่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทำความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทำเป็นไบ่ทำเป็นคนโหงโง่ทำเป็นคนน้อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมือง เราต้องถูกทรมานมาทฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาทึงเวลาสิบปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเรานี่ยสำเร็จแล้วเราจะเข้าอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปี แล้วเราก็จะต้องทำกรรมกรรมชัว่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าบันดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องทกโทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสันพาวุธสับฟัน ได้รับการทุกทข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเที่ยนเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่ม่อต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าอผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเพียนคนให้เขาฆ่าคน ให้เขาทรมายคนโ น, น้นริบทรัพย์คนนั้นริบทัพย์คนโ น, น้นอะไรอย่างนี้วันลเท่าไหร่ปีละเท่าไห ร, ร่แล้วผลของการกระทําความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เหตุการ์ตกนรกซะเต็มที่ท่านนายสารธียังไม่เข้าใจเรื่องนรกเขาค้าน ยังอดที่จะคานไม่ได้เพราะความพอใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาบสการะคิดว่าท่านนําพระเตมีกลับไปได้เมื่อไร่เมื่อนั้นแหละความร่ํารวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชาดาอาจจะตั้งให้เป็นมหมาหมัดผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตาแหน่งเป็นของดี ยังมีสติตรงกันข้ามกับประเทนีเขาจึางได้กล่าวว่าพระเจ้าบผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นมืพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราบว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพื่อคนที่ทำผิดก็จาจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ เพว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทําอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถ้าเตมีอยู่ในทรงนที่ว่านี่นนนท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทําอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกก็ยอมรับนับถือว่าทําอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยโยกเว้นใครมกิการ ทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลเพื่อการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คื่อความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดนของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีมีความสุขกพาความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิศเ็เรียกว่าเมืองสวรรค์ คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปโซนรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเล้าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนกับคนที่กรยุยางไปแข่งเสือให้คนไทยแต่เล้าสิ้นกันเลยกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสัวบบยปุ่มซึ่งมันจะมีความเล้าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้ มองโดยลาทั้งพธบริษัททั้งหลายโดยทุ น, นาเวลาไม่อำหนวยหมดกสนแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผ ล, ผ ล, ผลจงมีแดด บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี